Book 2 <18 S 1> <28 S> 2ยี่สิปในโรงแรมการร้องเรียนฝักบัวใช้งานไม่ได้ไม่มีน้ำอุ่น คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับมุ่ในห้องไม่มีโทรศัพท์ในห้องไม่มีโทรทับในห้องไม่มีโทรทัศน์อเบเีห้องไม่มีระเบียง อบลคนห้องนี้เสียงดังเกินไปอลหห้องนี้เล็กเกินไปอบริมาห้องนี้มืดเกินไปอบย์ลมาวเครื่องทาความร้อนไม่ทางาน ผู้เรียนเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานลติซเซียเนียโทรทัศน์ไม่ทำงานทวีโป๊กเซนผมไม่ชอบเลยตซามชมันแพงเกินไปตยเตรมเนียป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 Je tu v blízkosti r e s t a u r á c i a